พระธรร ม, มเทศนามหาจาตย์เวสสันดรจาดกกชาบพิเศษชดไส้รวมธรรมกันทีสิบสามซึ่งเป็นกันสุดท้ายจิวานาครอนกันตรวจชำระคัดเลาอกสมนุนใหม่โดยป่ออินสมชัยชมพูป ร, รียนธรรมฮกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหาย <c oughs> นาโม ตัดสักาวาโตะราโตะสัมมาสัมพุทธัสสาตังสุตว่ามหาสัตตปิตารสัทิงสันละปันโตอิมังคธามหา ลามดาบธรรมเตสนามาจูจอดถึงกันยอดปารีนยสารส่วนนอปุถิยานตนองค์อาจคือพระยาเวสันตระราชศรีฟังวัดที่พ่อเจ้าตั้งอามาดเก้าโยธาโราทนาใจใจเพื่อเป็นเต้าไม่เสวยเมืองตนบุญเรื่องเจีองเจ้า ก้นกำก่าเดิมมาขาบทุนสาตานก่ากับป่อเต่าเป็นคาถาว่ารมเมนรัชจังการเรนตังรัฐาปป้าจ้ายินทะมังดังนี้เป็นตนว่าคาแดพระพิตาพ่อเจ้า้าลูกเต่ายินดีอยู่เป็นจีป่าไม่บ่อมักไปเสวยเมืองพระบุญเรืองตนป่อเจ้าเมืองซอถึงหู บอ่อิจาราดาดูแจ้งส่องคับคาจากห้องเหมืองมาคาบอ่อลาซาพระมาดบอ่อเว้นคาตาสาระจะทำย่อมกะตำบุญกว้าง <c oughs> อยู่เสพสางตามกองบอ่อทารีปองใส่โตดบอ่อคิวโคดเบียนไัยย้อนมีใจไข่รอดพระยายอดสับปัญญู เจ้าเมืองบอดูกึธดีมาใส่ตดจี้ทุนสาวาคานีนาตดใหญ่ป่อก่อไหลขับหนีหมาอยู่ดงรีเถื่อนทอง <c oughs> กองเตต้องหิมมาปานบัดนี้ดังเรือพระผู้บ้านหันเป็นถูกมาขอลูกขึ้นเมือง ข้ายินเครื่องแต่โสดขอสละโตทสงสารขออยู่ดงดานป่าเสาวราบต่อเต้าเมื่อมรนขอพระปูธอนปอไทยปรีปนใหญ่ดวงลายรีพันภายปอกเต้าไปอยู่เฝ้าเมืองราตเปอเฮย เมื่อน ah ั่นพญาสนใจตนป่อฟังลูกตานต่อกำลังบอปูญดีฟังนักแกจรกาวแกเป็นคาถาวาตูกะตันจหิโนพุทธะดังนี้เป็นตนว่าดูราลูกรักแกป่อกำเจ้าต่อวาที่ก็หากมีแต่ใสป่อก็ได้กตมานยอนป่อนี่นาหาวหาเข้าอำนาจโมหา บ่ปิจาระาลืมเล่าเหตุว่าเท่าร้อยแรงเจ้าเมืองแข่งสมศรว่าเจ้าจักลมหล่อเหมืองเราพ่อฟังเบาเอาง่ายครับเจ้าไปนีไกจาเพียงใจแต่ต้องมาอยู่ห้องดงรีกรรมอันบ่ดีเป็นบาปการตัดลาขุนธทำพ่อได้กระําแต่แล้วขอลูกแก้ววางลา ยังโตสามใหญ่ยาหมัดไม่นานไปลูกใส่ใจนอแก้วหากรู้แล้วหันใส่ยิงใจใดในโลกไปป่นอกฆะสงสารุกมาปานถึงแก่ยังพ่อแม่ตั้งสองกวนลูกปองปดไปเอาชีวิตไทยแตนไปมั่งพวยไอน้อยใหญ่คือพ่อแม่ได้สัสเดี เจ้าบุญมีตอนองอาจรู้แจ้งขวาทองทัดจุงปฏิบัติติดต่อฟังํำป่อเจียนจาอดคุณนะาพ่อแม่อันเท่าแก่รวยแรง โอตรักแปลงไผ่ฟ้าอันเข้าป่ามาหาจุงจักลาลาเปตยังเขื่องวิเศษราศีละดงรีดานดาวไปเป็นเต้าเสวยเมืองหือญาสาเรืองดังเก่าสืบสร้างเล่าสองตีแดเต เมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าตนบนกว่างแม่นไข่สั้างสวยเมืองยามเต้าบุญเรื่องตนป่อมาต้านต่อจะเหลีวจะครับคำเดียวโดยง่ายดูผังไรบางเบาพระองค์เราเจียงเจ้าแสงคนคำเก่ามาไขกันเต้าสนใจตนป่อรำเปลืองต่อบุตตากราธนาจใจ ทวนคบไข่สองตีเจ้าระสีตนอง์อาจจริงรับโอกาสเอากรรมก่อมีหันแลยนะเมื่อนั้นมหาสตาราสีตนอง์อาจรับโอกาสเสวยเมืองอามาเรื่องหกหมืนก่อไว้เต้ายืนถวายกรรมบากาแดพระธารงทำบุญกว้าง กวนเจ้าจ้างดาไปคัดสี่ไข่มาามุนโดยน้ำหอมอุ่นสิบหกอ้อมผู้ขาดอมแต่งท่าขอเจ้าฟ้าดาทรงโตนพระองค์หยอดสอยจริงตอบถอยกำไปว่าดูราเสนาในทวนวนาสู่จุงอยู่ท่าบัดเดียวแล้วรีบเร็วเข้าสู่ในแก้วกูสาลา โปงศิขานักบวตตั้งเครื่องผาดวดเป็นจีลำดับดีตั้งไว้แล้วหนุง่งผ้าใหม่โกู้ใส่แล้วออกไปไปนอกป้นข้างขอกศาลาแล้วพิจารณาพอเล่ายังที่เก่าอาสะรมบาศาลานีนาอุดมคุณใหญ่เก่าเดือนไข่สิบห้าวัน โกมาพันอยู่สร้างสมไฟอ้างจูภาการได้คือตานลูกเตาและเมีหนุ่มเนาเตียมใจแผ่นดินไหวลันกองฝ <c oughs> ้าเรือนรอฟฝ้ารวนร้อ ง, รองถึงพรมเจ้ากอ่อพระนมมือไหวพัดเรียบไผสามที่ขับนบดีสามปอกแล้วถอยออกขึ้นมาทารงกัญญายืนอยู่ที่นามุกแก้วกูอาสะรมวันนั้นแหละนา ทีนั่นกาปกาอามาดผู้จมฉลาดด้วยเกตเกาเกศีก็ตทับเกศาดีขุดหนวดยาเต้าละเครื่องบวชจีไพรเต้าสันใจผู้เงาก่ออาภิเศกเจ้าบุญมีเอานำสุกันท่าดีหดหล่อเป็นเต้ากอเสวยเมืองเฮาผ้าดับตนเรื่ององอาจดังเต้าที่ราชอินตาวันนั้นและนา เทนะวตังเหตุดังอันกาถาปันธานาอันนี้พระเจ้าจีเทสนาแกมหาสารีบุตรเทรา้าวาดุราสารีบุตรผู้พาเสดานลำเลิดด้วยพระญาเมื่อเราเป็นพรญาเวสันตรราดกันวารับโอกาสสี่ปี ก็โปรงเขื่องราสีเบียดไว้พร้อมเสียงไขวจูอันอันแล้วภายพัน์ลาภากออกไปจากศาลาส่งเกสาเกตด้วยน้ำวิเศษมุทาแล้วทารงเขื่องพระญาบ่จ้างามดังเจ้าภาะสะเวยสาวันกมิฮันแลยนะ เมื่อนั่นพระมหาสัจเจ้าตนบุญใหญ่เป็นเต้าไฟเสวยบุญได้เป็นคุณเจ้าจ้างเตะจักรวางสุดใจตัดตีใดเต้าแพพอเป็นนานอหลิงไปคนโยกไก่และไก่เน่าขับไปสาทุกการตัดสถานสื่อนาอันเจ้าฝ้าหลิงไปคนฟุงใดจ้างป่าเขานั่นหากเอามงคล จุมรีปนตัวดาวโหร้องเศร้าสาตุการจ้างป้าสานร้องแซนมาฮีเห่นเรือใจตั้งกองใจเสียงใหญ่กองน้อยให้เป็นจุมแกเป็นสุมปี่หอตั้งท้าล้อห้อยสั่งทุรีหยาดังอเนกเสียงกองเมกไปบนจุมรีปนแต่งแล้วยังจ้างแกวนาเกนนำไปเวนถวยเหล่าแกเต้าเจ้าธรงธรรม พระองค์คำตนเลิดแล้วก็ทราบปลายดาบดามแก้วสะลีกันใจลวดกาไก่ย่ายบาดขึ้นจ้างตัวอาจเจียงคานจุ่มโยธาหารหกมือนนาจอยจื่นบานใสรีบมาไว้แวดล้อมเห็นแห่อมขุนทมแซงกระตำอนุภาพฟ้อนยาหยาเจิงใจ ธาดนันนานตั้งหลายเท่าแก่มีนางพุทธาดีผู้แม่เป็นผาทานอันมีใจบานจินจ้อยขอขก่อคิเศกนางหยอดซอยราจมัที <c oughs> ปอนปอนดีหลายเผ่าว่วาขอเต้าเจ้าเวทสันดอนจุงรักษรีบังออนแบนฟ้ามากยิ่งกว่าแสนนางดังนี้เป็นต้นกอบมีหันและนาะ ตามทังประกาศเซนโตสัทธาศาาสัทธาสัพพัญญูพระพุทธทเจ้านำสัตเขาเนราปานหันนิทานไปแจง้งพระจริงแสงเตสนาวาสิสันหโตสุจิวัตโทดังนี้เป็นตนพิาเวดุราพิกูตั้งลายตนทารุงสินใสสะอาส่วนเตา้าติราชเวสันตราจา อับนำหมดทาเบียนแล้วเต้าต้นแก้วบุญมีทรงเครื่องดีวิเศษพาต่างเตจกาศีมงกุศเพนีสอดเก่าสะปายเหลายังสลีกันใจก้อยกาไกยใหญ่บาทขึ้นจ้างตัวองค์อาจียงคานโยธาหารหกหมืนปีติตื่นเดือดลายเป็นสหายเต้าไทยเกิดพร้อมไขวันเดียว ย่อมสับเสียวชาลากรรมวาว่าปุ่นแยงรีบไปแฝงอยู่เฝ้าย่อมยศเจ้าอุดมฝ่ายนางดาสนมเจ้าแม่นางเท่าแก่กันยาเขาก็มาแวดเฝ้ายังนอเนเ now รามัธทีเก่าวกรัมดีปันโจกว่าตุ๊กไม่โศกโราคา อย่าได้มาถูกตองจุงห่างห้องหนีไกลขอใส่ใจแม่เจ้าอย่ามนเ้าเครื่องขีจุงสัดสดีอย่าขาดกับเต้าที่ราชสมวยเมืองกับสองบุญเรืองลูกเต้าส่วนเต้าปอเจ้าสละลีสนใจกับนั่งนงไว้แม่ไทยจุงรักสไไปมัธยีขอเตวีย Nh อดซอย อยู่เืนญจอยติคาฮือพระจ้าตัวดาวสุขด้วยเต้าทั้งสองเดตเตอกันอาบอง ส, องสอง่งเกตแล้วนังห น, น่อแกวราจาหมดที่กอทรุงเขื่องดีหยอดแย้มสองฝ่ายแกมเพียวผิวคำตนคุณคำ ข, ขีจ้างอยู่จิมข้างไปขวา สองกาศธาปีน้องจากใดผ่าคองดงไพรปอกคืนไปเมืองเก่าเป็นเต้าเหล่าสองตีจริงฮืตีกองเปล่าไปไขดาวรีปนตั้งหมู่คนวนหมู่อันมาอยู่จอมกันในดงตันป่ากว้างเล่นตามไฟอางนาน า, นาแต่ดงนาเถื่อนทองแดนแต่ต้องหิมมาปานก็มีฮันแลนา <c oughs> นางหมดที่นอนเอาวลวดเธานิงเหล่ากำลังเมื่อนางยังอยากไรดันป่าไม้ดงเขียวเต่าตนเดียวดันกว่าบุบุญป่าเขือมันหาหัวมันลูกใหม่บาดีใดเป็นดีปนเครื่องขี่โศกเศร้าส้ำหันลูกเต่าสองขาส ม, มานัดจามีมากนางจริงออกปากไข่กํา ซึ่งสององค์คำลูกน้อยด้วยกำจื่นจ้อยวนใหญ่ว่าดูรานางใส่ใจลูกแม่นับตั้งแต่จีพรามน้ำสองทิงร้ามปีนอง <c oughs> ออกจากห้องดงด้านแม่กินอาหารและวันและขาบตามสซภาพรักซาสินนอนเหนือดินบ่มีสวาดใบไม่หลวดรองนอน ยอมือวอนใส่เก่าทุกคำเจ้าพาธนาฮือหันสองบุตตาอนทยบัดนี้แม่ได้ดังขานิงได้หันสองบุญปิงปีน้องแม่นนาบุญจ่องปามะแลนา อุ น, น, นอันใดนันใส่อันพ่อแม่ใดกตมาจุงรักษาลูกน้อยเฮกาดก้อยหวานภัยตั้งปูผ้ายาสันใจปิ่นเก่าแล่แม่เจ้าคุณธสีจุงรักษาทองสะลีกนันไทยเอจำเริญใหญ่เป็นคุณด้วยเตจะบุญพ่อแม่ใดสร้างแต่ปังหลังจุงรักษาหยังลูกเต้าอย่ารีบเท่าจรา อย่ารีบมารดามวยมั่งจุงเอได้เป็นเจ้าจ้างเสวยเมืองเตะจะเรืองใจจ้าพาแผ่นนาจุมพูแดเติมนางมาทีหยดซอยก็กล่าวซึ่งลูกน้อยเอาน่าเหมื่อนั้นนางพูนสดียอดใหญ่คึ้ต่อสไปมัทีเป็นราศีเมื่อก่อนบ่ได้นุ่งผ้าผ่อนตามใจ จิงเฮือผ้าก็ใส่วิเศษผ้าต่างเตจกาศีแกราชามตีสะไปเฮือเลือกใจตามใจก็มีหันและนะธรรมถังประกาศเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพัญยนยอดซอยหันบัถอยบารีวทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสะนาวกับปาสิกันจโกไส ย, ยังดังนี้เป็นตน้นพิกาเวดราพิกโกตั้งหลายอันเป็นสายอริญญาจิส่วนดังราตพุนสดีปิญญามีกุ่อสะไปนอสายใจ จริงส่งไปบวชจาหยังแผ่นผ้าพื้นดีคือผ้ากาสีเส้นแหลบนุ่งอ่อนแตบสุขุมาตวิถทานกว้างหิิงงามอ้อยอิงดูเป้า <c oughs> วันนาขาวพหลาดกวนนางนาดผ้าดับตนผ้าต่างหนต่างห้องมาจากต้องแดนไกลคือก่ใสแปลงกาพื้นนึ่งกว่าแสนคำ โอตุ่มปอนคําบิเศษลูกต่างเตศไก่มาแม่พระยาบอกไว้คือลูกสะไปตามใจตั้งลูกปัดคําใสลูกน้อยอันตันห้อยเป็นจุมแก่นเต้าปุ่มเป็นป่ากวนนังนอลาสุปแขนมีตั้งแหวนใส่กอยมีตั้งซอยสายคําอันกระตําแปงอยากใส่แก้วหักมากลายสี แม่นมนันีกะใหญ่อาจแหลกใดยังเบืองขอบคำเรลืองใสนาภากมีกะมากเกลือตาปินปักเกศาหมวดเก่าจะลองนมเหลาดูเป้าแก้มแดงข่าวเขียวใสมีกะใหญ่หนานำ เกิบตีนคำรับบาดสายสะเอ็งขาดะดับแอวแก้วเป็นแถวมุกมาดนางเต้าอนาทุ้นสดีปิติมีจมื่นแต่งยกยืนยอปันแก่จอมพันสไปบ่เว้นไว้อันใดสลีนงงไว้นอนเงาง้ำบ่เศร้าราชาบัดทีทรุงสิรีโดดยาวเอาเขีองเต้าะดับตหัน งามกว่าคนโลกลาดังนางฝ้าสาวสวรรค์นางโสพันสะส่งเกตเข้าเครื่องวิเศษเรื่องไรนาบ้านใส่วาววาดวันนาวิลาสานำดังลมกลวยคำตั้งแต่งลมปัดแกว่งกัดไกวมีใบใส่สะอาดเลื่อมเบาหวาต่อตาในจิตตาลาดาฝากฝ้าคงแหลงลาตาว่าติงสานั้นแหลนา นางราชมาที่ลูกสาวสาลีพัญญามัณทราดเขียวสะอาดขาวใสเรียบเพียงไปที่ถอยดังแถวมุกร้อยเพียงกันย้ำภายพันย้ายบาทลักขณะอาจเรือลายดังกินนาฬิายอาปีกลิ่นฟ้อนเลีกจอมกันในดงตันเถือนทองแดนเติดต้องหิมมาปานัางนงคานอาข้าวหรือตัวดาวโลกา หิมปากนั่งผ้ายาแดงนักโสดดังลูกนี่โครดทุกใสคนใจใดใดพอเป็นนาต่อเตวีโศกทุกมีต่าฟ้าก็ลืมกว่าหายหุ่นกันนั่งพราดับตนเบียนแล้ว ขึ้นขี่จ้างแก้วงางอนเพื่อจากดุงดอนเถื่อนทองไปสู่หองเวียงใจจุ่มดังในแวดล้อมแหนแฮอออมเป็นปริวานสองภูบานปี่น้องก็ละจากหงศาลา โยกโยธาไปรอที่ปางจอดรีพลอันเต้าตนยดใหญ่คือเต้าไทยสันใจืเฮเสนาในแต่งว่กลางป่าไม้ไรซนคือรีปล์มวลหมู่ยั้งจอดอยู่เจยบ้านเล่นสําราณพร้อมไกว่ตามมักไฟใจหุมมโหาราศบสุมมีกองสานนันห้องดองตันตุ้งึ้นวันจะใจเดือนดึงไข่ดีลี เมื่อหนอมูนีอยู่สร้างกลางปากว่างภาวนาสัตดงนาน้อยใไนบ่หมักไปเบียนกันยามเจ้าจักพันธุ์เจียนจากจุ่มสัทธากมองเงาต่างสบเศร้าเงาอยู่บ่ร้องกู่คันคันก็มีหันและนาต่มาทางประกาศเซนโตสัทธาอรัทธาสัพญูตนเป็นครูแก่โลกคันอาภวานี โพดหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาสัมปมิตังอรัญยมิดังนี้เป็นตนเพียงกเวดุราเพียงกส็สรงตนทรงสินใสสะอาดอนวาพญาวสันตราตราม มีบนนายอดใหญ่จำเริญแก่ไพ่สีพีมาอยู่ดงรีเถื่อนกวางปั้เป็งสางภาวนามีเมตตาไา่โพดิรอบสามโยต์สัตบอ่อเบียนกันยาบเจ้าจากผันลาพากออกไปจากดงรีเดือนกมีหลายแหล่อันอยู่แก่ดงตันเขาพ้ากันโศกเศร้ารอมหมูเข้าปักษาตามภาษาที่ทอย ว่ากันพระยอดซอยบุญมีได้ละนี่เถื่อนทองไปสู่ห้องเวียงใจแต่นี่ไปไปนาสั์ใหญ่กาปาลาเตียงจากมาเย่าไรา ย, ยามเราต้องภายดงรีจักรักษาอินทีหินหยาเตียงลำบากเหลือใจสัตว์ในไพรยยตัวน้อยเตียงกาดกอยวำวาย เนื้อโนกลายมวลหมู่หลวส้มเศร้าอยู่ไผมันบบร้องนั้นอดเอ้าดังเมื่อเก่าเดิมอ่อนย้อนตาเวสันดอนจักผากมีลาจากหัวเมืองนกเนื้อเครื่องหมดไม่สังเัตไข่ดงรีก็มีหันเลนะ อนอนเฮรีปน์มวนหมู่มวนเล่นอยู่ดงดานานนานพระมานเดือนหนึ่งแล้วเต้าตนแก้วสัหลีสนใจก็เฮเสนาในตีกองเปล่าเฮรู้ข่าวเมือเมืองรีปน์เนืองไผ่ฟาไปก่อนหน้าตามลังต่างเขาวังแวดล้อมแหนแหออมเป็นปาริวานพระกสะานป่าไม้นำเต้าไทยเมือเมืองวันนั้นแหละนา ตามะทังประกาศเซนโตสัทธาอาหสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสนาวาปฏิญตโตราจามกดังนี้เป็นตนพีเขาเวดูราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาเชื้อนักภาทรงยาน ส่วนว่าเต้าผู้บ้านสั่นใจญาตกับอามาตังตามาทุนสาข์ไปว่าห่นตั้งใหญ่ราชามักกะแต่ดงนาเถื่อนทองไปรถทองเวียงใจอันยาวไกลบ่โหดได้หกสิบหยดกะนานาพัดดับพัดดาดีแล้วกวนเต้าต้นแก้วเสด็จเมืองเต้าบุญเรืองยศใหญ่ ก็อาัดใ่ตามกองฮือตีกองร้องเปล่าฮือรู้เข่าบัดเดียวก็มีหันและน้ำยามนั่นโยทาเรื่องลายแลหนุ่มบ่แก่มีพันมีรูปอันจ้อยจืนใดหกหมืนเตี้ยมตนเป็นรี่ปนร่วมจาดงามสะอาดเรือตาไหลกันมาไขยดาว วังแหวเต้าตนบุญพระทารงคุลเวสันตระราชจักภาคอาวาตเมือเมืองดังนาจ้าดมเนืองเจ้าแม่ตังเท่าแก่กัญญาเอากันมาแหววล้อมแหนแหออมตนบุญพามทารงคุลจบเปดเจ้าวิเศษหมอต้ายเสนาตั้งลายกับกังซองข้างฟังดูงาม คนลอยลำใหญ่น้อยไหลหลังถอยตัวมาจุมเสนาหาเทาเป็นขาเต้าเตรียมองค์หัวทารงสุปบ่มเขานันย่อมซับฟันอาแตงฟันพระผาพื้นถือดาปลาไปอาสาตนเต้าเมื่อสู่ดาวสีปีเสนาจังมีหลายแหล่ขีจั่งแพรสัสนจุมรีปนหมู่มาฟ้อนก่อนนาเจิงใจ รอดเกวียนลายกองแก้วผาดับแล้วเจียงจินคนเตียวดินติ่นเป่ามีมากเต้าทมนาถือภาละาหอกดาบเตียวพระผาเป็นสายหอกเต้าบุญผายขี่จังงาสวังงอนงามรีป้นตามลายหลากลาลาภาคดงนาเตียวมักกากว้างใหญ่อันแต่งไว้เปียงงาม กวยอวยจําเป็นทอยตั้งเจอน้อยตรงใจแข่งควัดไกวจูดาวเป็นตีนองหนาวหินดีของกินมีหลายแหลมีจูแงข้าวตังเป็นมหาปางอันใหญ่เมื่อเต้าไทยผู้บ้านจากดงดานเถื่อนทองปอกสู่หองเวียงใจ ก้อยยาถ้าราไปจะใจวันหนึ่งใดหนึ่งโยต์ดีดีสองเดือนมีมารอดจริงไปจุจอดเวียงใจก็มีหันแลยนะมาถังประกาศเส้นโตศรัทธาศรัทธาสับปัญญูยอดซอยหันบัดทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง ราจิงแสงเตสนาวเตปาวิงสุปุรังรำ ม, มังดังนี้เป็นตนพิกเวดุราพิกุตั้งลายอันเป็นสายอริยาเจ้าโทกคำเจ้าพาวนาเมือกาสัทธาธิราชมารอดพาษาสหัวใจคนไปในแลนออกป้ากันออกมาหา เพื่อปูจชาทวายของฝากมีนักมากแจกจนจุมหมูคนไหลายคอนขนอยู่ก่อนแควนลายจิงกันทวายนักโสดบารูกีร้อยโกดสังขายาย่อมเป็นปรีโพก า, าวีเศษของตังเตศของแป้งเขาเล่งแยงพอก้อยใจจีนจ้อยเจบ้านสาทุกการโหร้องสันนักองเวียงใจก็มีหันแลยนะ ส่วนพระมหาสัตว์เจ้าตนเลิดแล้วมารอดเกวียงแก้วปุรีกองตีกองเป่ารูไขยดาวตังมลุ้อได้ชวนกันปล่อยยังสัต์ใหญ่น้อยนานาอันใสกังกาขังไวหรือสั์กวรใดถึงตายเต้าเมตตาภายแผ่โพธถือป้นจากโตดเมืองมอ เต้าผู้ทอนที่ราดนอนไหนผ้าสาดใส่สีกันร้อยทีดารุงก่อกึดคุงไปมา <c oughs> พิจารณากึดเหล่าว่าวันผูกเจ้ายำง่ายยาจกตั้งลายรู้เขา ว, ว่ากูมาเป็นเต้าสเสวยเมืองเตียงไหลเนื้อามาไกล โอบน้อมไบขอตาอ้านยังโพจหน้าหารหลยแหล่กูจักได้แต่เด่นได้มาเร็วไวตันตอดแก่คนถ้าหมอดเข็นใจเจ้าข้าดิ่งไหนไปตันแล้วอันว่าหินแต่นแก้วอินตาปกติมาแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนสูุคุมานก็บันดาลขาดางห้อนแข่งข้างสะเมืองหินเต้าขุนอินรู้รอดจริงจักตอดลงมา ยางรัตานาธาราฝนหาแก้วตกมาแล้วเป็นสายตกลวงลายทุกสะรอกวันตกออกจดเจือตั้งห่นเหนือห่นไต้ตกเสียงไข่เจอจานเต็มสาานคุ้มน้อยตกบอถหอยเพียงแอวตกเป็นแถวจ้าจาแต่อากาศใหญ่เรียงตกในเวียงตัวเต้าเปียงหัวเข่าคนยืน โตกเป็นพื้นเป็นแผ่นต๊ะควายแควนเวียงใจก็มีฮันแลด้า <c oughs> โอนาติวเสดในวันลุนดวงเจ้าเต้าเป็นเจ้านอบปูที่านก็มีราชาองค์การปงขาดืออามาตโยธา ไปปิดจารณาเลี้ยวไข่ถั่วเมืองใหญ่สี่ปีว่าฝนแก้วดีวิเศษตกในเขตแดนใดในแดนหัวไพ่นันไสจุงลาวัยปงปันแก่ตัวมันจู่ผู้ส่วนฝนแก้วอันอยู่น้ำนาตามมักกาตั้งไตตามควงใหญ่ลันหลวง แก้วปันปวงดันใส่เป็นปุ่นไทยราชาจุงเก็บมาพร้อมไข่หลากมาใส่เล่มช่างเปื่อเป็นตังก่อสร้างนาบุญกว้างยาวไปสวนโยธาในอามาตกันเต้าที่ราชปงปันก่อพากกนรรีพาวตามอาจอยาเต้าจูพกักการก็มีหันแลยนะ ตามทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพ ญ, ญูยอดซอยหันบัทถอยบาลี <c oughs> บทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาจาตารูปามายังวัดจังดังนี้เป็นต้น พี่เขาเวดูราพี่กั้ส่งตนทารุงสินใสจีนจอ้อยเมื่อเต้ายอดซอยเวสันตราจาจากดุงนาเทียนทองมาสู่ห้องสี่ปีย่ำร้อยทีดารุงเต้ากุดขุ่งปิจารณาว่ากูเป็นพญามาใหม่สมบัติไปตันมี กันร้อยทีรุงเจ้ายาเจ้าเขามาหาจาักเอาสั่งจ้านั่นใสยนย่ยกยืนให้หย่อตันหย่อโปที่ยานบุญกวางพงกอศางปิจาราณาคุณอินตารู้รอจริงจักตอดลองมาอย่างรัตนนาธาราผลหาแก้วตกมาแล้ว น, นำํำ ตังฝนคำลายหลากฝนเงินมากเหลือตาฝนแก้วปราผาวีโรธมานิจดแปลงเมืองวีตุนเหลืองก้าใหญ่ตกมาไขว้จู่สถานฝนแก้วประวนันเวลาตกจะา จ, าจัดเป็นสายประตำรากลหลเหลือแหล่วาจิระเป็กแผ่ทมทองตกมากองบ่อขาดในคุ้มราชฟังหลวง แก้วปันปวงเหลือแหลตกลงแผ่เป็นแถวสูงเปียงแอวเป็นขานาดนอกภาษาหอคำกอตกดำแต่เหล่าเปียงหัวเขาคนยืนตกเป็นพื้นเป็นแผ่นตกไข่แขวนเพียงใจกันตาวันใสรุงแล้วตาอ่ตนแก้วนอโปธิญาณก็มีองค์การปงขาดหืออามาตคนใน <c oughs> รีบเรล่งไปเมียดไว้ว่าแก้วกาใหญ่นาหน้าตกลงมาบาผ่อนอยู่ในบอนคนใดแดนหัวไผ่นั่นใสจุงละไว้วางปันแก่เจ้าของมันจู่พูส่วนแก้วมีอยู่นำนาตามมักกต้องเตดอยู่นอกเขตของคนจุงใฮืคนมาใส่ในเล็บใหญ่ชางดวง แก้วปันปวงนั่นเล่าแม่นเป็นปุ่นเจ้าห่อใจเสนาในอาบาดกันรับราชจ้องค์การแห่งเจ้าผู้บ้านเบียนแล้วก็กาดแก้วไพ่พันรีเปรียวปันฟังฝ้าตามอาฏยาเต้าจูพักการก่อมีหันแลยนะ เวศสันตาราชานว่าพผาญยาเวศสันตาราตยาสะอาดหรือเรื่องสะวยเมืองใหญ่กว้างปั๊มเป็งสร้างป่าระมีเจ้าสี่ปีใหญ่น้อยอยู่จินจ้อยเจยบ้านหึงเบืองนานแต่เหล่าท่าลาบต่อเต้าจรา กันมารน า, ากาภากจุติจากเมืองคนก่อเอาตอนไปเกิดได้จันฟ้าเลิดตูสิดาก็มีหันและนาศร ธ, ธาอิมังกาธาสาหัตสาปฏิมันดิตังมหาเวสันตราชาตะกังอาหาริตวาศร ธ, ธาอันวาสัมปัญโยตนผ่านเพว กันำมาแล้วยังท ร, รมาเตสนาเกอมหาเวสันตราชาตากะจินจ้อยมีบาทอยกาถาพ่าดับมาแลบล้วนปันหนึ่งทวนดีดีพระมูนีเป็นเจ้าซ้ำใครเล่าสุดปายว่าดุราพิกูตั้งหลายม้วนหมูมอันนั่งอยู่นำนา ยามญาติการี่น้องเรามาอยู่ซ่องจอมกันอาซาจันต่อนาฝนจากฝาหลงมาดังหันต้อตาก่อนกีบอดใจจัดนี้บัดเดียวเมื่อเราเต้วหลอกกว้างปั้มเพ็งสร้างสมปานกลางดงดานป่าไม้เตป่าไทยไปบนเกาะเฮฝนวิเศษตกในเขตลงนา ยามโหกาสัทธายดใหญ่มาพร้อมไข่จอมกันในดงตันปากกว้างดังเ่าวอังไครมาดังนี้และนาจาตากังโมธาเดซิสัทธาอันวาสปัญญูตนอง์อาจจากจักจาดปังหลังมาเตรียมยั้งจาดนี้ เอแจง้งขีต่อตาจิงไขว่าจาเจนจ้จอยอันสุดซอยปริญโยสารวาจุเจโกพรหมนโนรุธโทดังนี้เป็นตนพิก้เวดุราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าอันว่าพรามพูทเท่าจิจูจักกะพราม เข้าไปตามป่าไมเออสองแก่นไทยกุ้มม่านจากดงดานป่าเซาเทวดาเขาดลใจลวดลงไปสู่หองพ่อเตต้องสีพีกินอาหารดีบ่ไหวต้องปองไก่แตกตายไปบ่ใจไผยแต่ใส่คือหากใดเทวตัดเทนในกาลบัดนี้แหละนา อมิตาปนาัจาส่วนนางอวินตะตาหนุ่มเนาเมียปูเทาจูจกะพรำชมนางงามบ่อน้อยเต้าใจถอยตาร้นจำผัวตนเข้าป่าไปหาเจ้าฟ้าเบสันตระรัตีเพื่อขอสองสรีกันไทย มาเป็นคาใจตีนมือวันนั่นคือหากใดนางบับไปจินจามานาวิกาในกาลาบัดี้และนาเจตาปุตโตอันว่าพลานเจตาบุตรผู้ใจห่าวหกหมื่นเต้าปงวางหือรักษาตางป่าไม้ยามนอพระติวัยปัเปิงธรรม มุนนนนำบ่กขาดมาเป็นสหจารดับเข็นคือฉันะเทนในกาละบดีแหลน า, าจุตตาปะโสอันว่าเจ้ า, าจุตตารสอยู่กิรีปามัจีตั้งใจปันพรำ <c oughs> กองวัดงามบ่อ้าตุกคำเจ้าพาวัดนาบุญนำปาา่ามาไขคือหากใดสารีบุเทระเจ้าในกาลาบัดนี้แหละนาสกโกอันว่าคุณอินตาตนองอารูแจงขวาดเรี่ยวพันเถื่อนสุกรรมบุญกวาง มเนระมิตรสังสาลาในดงนาป่าไม้คือหากมาใดอนุรุทธะเถ่นในกาลาวัดนี้แลนาวิสสกรรมโมอันวะวิโสกรรมเตวาบุตรตนผ่านแผว ล, ลงมาแล้วจากสวรรค์เ น, นรามิตรปันไว้วาดยังอาวาัศสาลา บุญ น, นำป้ามารอดคือหากได้ยอดหมอกกันละนาถทนในกาละบัดนี้แหละนาอันว่าเตว่าบุญตนวิเศษเนระมิดเปิดเป็นราชสี่สิ่งไปนอนปิ้งไขควางตัดต า, ตาตั้งตั้งมา <c oughs> แห่งนางพญาหนุ่มนาวงามบ่าสาราชามาที่คือโอปาลีเทนตอนองอาจจบชาลาดกองวินัยเตว่าบุรใหญ่พระสนในรามิตตนเป็นเสือคงร้องกองลงดงรีคือชิมปาลีเทนเตว่าบุตรตนเป็นเสือเหลืองนั่นเล่าคือเจ้าจุลนากะเทนในกาลบัต้แลนา อันว่าเทวบตุตนวีเศษมาเนรมิตเปตเหมือนแต่ดีลีดังพาระาศีตนป่อมาอุ้มเอาเจ้าน้อยนอจาลีนาบุญมีมาไขาคือหากมาใดมาหา ก, กัจจ า, านยาณเถนในกาละบดีแลนา ส่วนเตวาดาตนวิเศษเด ร, ระมิดเปตดเหมือนแม่มัที่มาอุ้มสสยสลีน้องเนางามบวช้ า, าวจื่อกันหาคือนางวิสาขาในกาลบัตนี้แหละนางปั จ, จญานาโกวารโนส่วนจังปัจจัยนาเกินเพื่อแก้วงามเลือดแล้วเลือใจขาววันไวเลือดลำ เ็นจางกำสมปานแห่งพระผู้บานเบสันตระราชบุญบ่กขาดตัวมาคือมหากัะสปะเทนในกาลบัดีและนาการโนกากาสาจารินีส่วนแม่จ้างตัวองอาจไปโดยอากาศเวหาดนำลูกจ้างมาลงไว ที่ห้องใหญ่โรงคำบุญนั้นนำมารอดคือนางยอดกีสาโกตมีในกาลาบตีและนาอพันตรมหามัจโจสวนอามาเตียมใจลุกแลลนไปฝังเฝ้าจิไปบอกเก่าทุนสานไข้าอาการร้อนไหม แก่เต่าไทยเวศสันดอบุญบวรอนจักขาดเกิดหลายจาเตรียมมาคือมหาอนันตเทนในกาลบัตินี้แหละนาจานาวิญาณวัจจามัจโจส่วนคนเตรี่ยมใจอามาตอันฉลาดดาตานเฮาเต้าผู้บานยศใหญ่บุญดันไหลตัวมาคืออนาธาปินดิกะมหาเศรษฐีในกาลบัตินี้แหละนา สันจะโยอันว่าเต้ nh nh า, าพญาสัตตสันใจหยดยาวพาแผ่นดาวสีปีเจ้าปุรีมาสออว่าลูกเต้าจักหล่อเสียเมืองเต้านินเครื่องหลายลาคือลูกาพาเสียไก่ไปอยู่ดงไพรป่ า, าไม้คือเต้าบุญใหญ่สัตติสุทธตันาราจา พ, พ่อพระธากาตะในกาลบัดีและนา พดสะเตีอันว่านางพุทธสดีแม่เจ้ารักลูกเต้าสุดใจฝังไ่ไตย์ย่ไร้หื้อเจ้าใหญ่เสียมืองนางยินเครื่องร้องไห้ถึงหนอไทยบุตตาคือนางสลีมหามาญางามแงอันเป็นแม่พระธากะตะในกาลบัดีแหละนา <c oughs> มัดที่อันวานังมัดที่หน่อเนาตัวเอผัวเจ้าจำควันไปดงตันปากว้างปำเพ็งสร้างปาระมีละสองสะกีน้อยหน่อไว้กับป่อพญาป่อขึ้นมาตีเก่าบ่าหันลูกเต้าสองสีนางมองขี่มดนไม่ร้องรำให้ปริเวตนาคือนางยาโสทารางามแงอันเป็นแม่ราหุ่นเทนบัดนี้และนา เจ้าลีกุมมารอนว่าเจ้าเจ้าลีดัทไทยคือหากมาไดราหุนเทนบัดนี้และนาส่วนว่านางกันหาหนอ น, หน้อยนาจินจ้อยวันไวบ่อใจไผ่แต่ใสคือหากมาไดนางอุปัลละวันนาเทรีในกาลบัดนี้และนาง เสสาปาริสาอันวาสาหะอามาตแลพัจราชคนในสัททใสรวมเต้าบุญนองเน่าจำหมยคือปาริสัตตทั้งหลายทั้งสี่ในกาละบดีและนาเวสันตารราชาอันวาฟัญาเวสันตาราตนองอาจมักภาสาเตตานจ้างไปสันเพื่อแก้วสารแล้วตันไป มาเตรียมใจลวกน้อยสารละปล่อยตานพามโดยสัตว์ทางงามจมจืนปีติตื่นใจบ้านเพื่อหวังยานล่ำเลิศคือเป็นพระตนพาเสดสั ป, ปัญญูได้เป็นครูแก่โลกคือป้อนโสเครื่องเคี่สมปานมีมากวางสมไฟได้สมไฟอ้างผาฐานาะเป็นพระพุท ธ, ธาผ่านแพว นั่งแตนแก้วเตศานาคือพระตถาคตาต้นเป็นตีจังตีเึ่งแกโลกทั้งสามบัดนี้และนาะ <c oughs> เวสสันตาราชาตากาปริโยสาเนจตุสัจจานีปะกาเศตตาในเมื่อสุดซอยแห่งเวสสันต์ราซอยเตสานาะ พระสัทธาเป็นเจ้าจริงใครเล่ากฎหมายยังสัจจาหลายตั้งสี่เฮือแจ้งทีตามทามีทุกขะสัจจะนำแต่เก่าถ้าราบต่อเต้าสุดปลายเฮือปาริสัจลายน้อยใหญ่ได้รูไขจูพักการภูมิสมปานแต่ไทยหอมหยับไว้เหมือนมา ฟังเทศนาสุดแล้วก็ได้ดาบแก้วเจียงขานคือบังกญานผาเสดผาละเกิดตวยตันมิโสดาบันเป็นเก้าถ้าราบต่อเต้อตอตอตออาอรหันตาก็มีวันนั้นแหละนาตูมเหพาวันตาจาตะกังธาเรธาตันตั้งหลายทวนนาอันไขหันพระเจ้าฟ้ารินยะเบตไ ยานีไกมาหาจาัดฟังยาขาดเวทสันดอนเจ้าถึงตอนรอดคำตามปาเวนีพัมมิมาวีศรัทธาจมจืนสลายืนตามมีสีเจียงจี้าแปดรังสะแขดตามรารภาวาหน้าหม่เมียดมันอย่าเดือนสันหวังตําจักเป็นบุญนำมากวาง เื่อสมไฟอ้างผาธานาได้หันพระพุท ธ, ธาผ่านแ้วตนเลิดแล้วเจ้อริญะเมตไตรบวย า, าจำเลนานากรรารกันดังนิดทีด่ตังขีญาสางว น, นานาวิเศษจาห้องเหตุนาก่อนกันอันพ้ดําผดาด้วยกาถาวะได สี่สิบแปดก็ถาก่อบังก้มสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ